เจ้าหญิงระบำ12นางกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชาคนหนึ่งที่มีลูกสาว12บสองคนและตามเป็นเจ้าหญิงทั้งหมดแต่ละคนก็จะสวยกว่าอีกคนทุกคนอายุอย่างน้อยราชาวางแผนให้พวกเธอแต่งงานแต่ไม่นานเขาก็รู้ว่า ทั้งสิคนนั้นจะเต้นรํากันทั้งคืนไม่มีใครในวังรู้ว่าพวกเจ้าหญิงจะไปไหนราชาห่วงมากเขาจะล็อกประตูห้องนอนของเจ้าหญิงเพื่อไม่ให้เจ้าหญิงออกไปเต้นข้างนอกแต่เขากลับทําไม่สําเร็จเขาเจอรูในรองเท้าของเจ้าหญิงเขาเลยทําการประกาศ ใครก็ตามที่รู้ความลับการัเต่นรำของเจ้าหญิงจะได้รับสิทธิ์เลือกแต่งงานกับเจ้าหญิงคนไหนก็ได้และจะได้เป็นราชาหลังจากฉันตายแต่ถ้าคนคนนั้นทำไม่ได้ในสามคืนเขาต้องโดนประหารชีวิตข่าวแพร่ไปเรื่อยๆไม่นานมีชายคนหนึ่งมาเพื่อจะล้วงความลับนี้ ไป็นเจ้าชายจะอาณาจักรขั้ ข, ของท่าและเข้ามาที่นี่เพื่อลุกความลับของเจ้าหญิงเขาได้รับการต้อนรับอย่างนีที่วังของราชาตอนเย็นหลังมือ้อค่าเขาได้รับมอบห้องหนึ่งของวงังเพื่อจะได้นอนหลับค้างคืนและห้องนั้นอยู่ติดกับห้องของเจ้าหญิงเตียงของเขาถูกตั้งในตำแหน่งที่เขาจะได้จับตามองเจ้าหญิงอย่างง่ายดายเพื่อจะดูว่าพวกนางไปเต้นที่ไหน ประตูห้องเจ้าหญิงถูกทิ้งเปิดเอาไว้เจ้าชายอยู่ในห้องของเขาเจ้าหญิงสองคนมาที่ห้องเขาเอาแก้วไวายมาให้เขาดื่มเจ้าชายดื่มไวายและเริ่มสังเกตว่าเจ้าหญิงจะทำอะไรแต่เขาก็นั่งพักและเริ่มง่วงและเผลอหลับไปเขาตื่นมาในตอนเช้าและเห็นว่าเจ้าหญิงเริ่มเต้นรำกันแล้ว คืนถัดไปก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันในวันที่4เมื่อเจ้าชายหาคาตอบไม่ได้ราชาก็ฆ่าเขาอย่างไม่เมตตาหลังจากนั้นก็มีหลายคนมาเพื่อจะทำภารกิจเดียวกันแต่ทุกคนทำภารกิจไม่สำเร็จทุกคนโดนราชาประหารหมดราชาไม่สบายใจที่ต้องฆ่าพวกเขา และเศร้ามากที่หาคำตอบเรื่องการเต้นรำของเจ้าหญิงไม่ได้ในอนาณาจักรมีทาหารคนหนึ่งที่ต้องออกจากกองทัพเพราะบาดเจ็บตอนนี้เขาไม่มีอะไรจะทำเขาจึงตัดสินใจจะไปเมืองของราชาระหว่างทาง<อ>ไปเมืองนั้นเขาก็ช่วยหญิงแก่คนหนึ่งไว้<อ>เธอขอบคุณเขาและถามว่าจะไปไหนเหรอ ไม่รู้สิแต่ข้าว่าจะไปที่เมืองของราชานอะโอ้ไปหาเจ้าหญิงเหร อ, อไม่ใช่หรอกครับมีอะไรเหรอเจ้าหญิงทำไมครับไม่รู้เรื่องการประกาศของราชาอย่างนั้นเหรอโอ้ข้าได้ยินมาเหมือนกันแต่ข้าว่าถ้าไปเพราะเรื่องนั้นก็คงจะต้องตายเหมือนกับหลายคนที่โดนประหารชีวิตไปแล้ว เธออย่าไปดื่มไวน์ที่เจ้าหญิงเอามาให้ดื่มก่อนนอนแล้วแกล้งหลับด้วยหลังจากนั้นหญิงแก่ก็เอาผ้าชิ้นหนึ่งให้เขาเธอจะล่องหอนถ้าสวหมันนะมันจะช่วยให้เธอตามหาเจ้าหญิงทั้ง12คนได้ทหารขอบคุณเธอและออกไปที่วังราชาต้อนรับเขาเหมือนกันทหารคนนั้นได้รับการดูแลอย่างดีเหมือนคนอื่น น, นั้นเขาไปที่ห้องติดกับห้องของเจ้าหญิงและหลังจากนั้นเจ้าหญิงคนต่ก็เข้าห้องเขาสวัสดีเจ้าหญิงสวัสดีฉันเอาไวน์มาให้ดื่มมันถือว่าเป็นเครื่องดื่มต้อนรับจากพวกเรานะทหารรู้ดีเขาเลยดื่มวายจนหมดแต่ไม่กลืนลงไปเพราะเขาเก็บฟองน้ําเอาไว้ใต้ลิน้น เมื่อเจ้าหญิงจากไปเขาก็เอาฟองน้ําออกมาและแกล้งทําเป็นนอนหลับเจ้าหญิงทุกคนดีใจที่เห็นเขานอนหลับพวกเธอแต่งตัวพร้อมจะออกไปข้างนอกเมื่อพวกเธอพร้อมเจ้าหญิงคนโตก็แตะที่เตียงของเธอมันจมลงไปในดินทันทีเจ้าหญิงทั้ง12ค่อยๆเดินลงไปทีละคนทหารก็จับตาดูอยู่ เขาใส่ผ้าคลุมล่องหนแล้วตามไปเขาเดินลงไปกับเจ้าหญิงคนเล็กเมื่อเดินไปได้ครึ่งทางเจ้าหญิงคนเล็กก็เริ่มกลัว ม, มีคนเดินตามฉันมานะ่ะบางทีก็เป็นอย่างนั้นแหละตอนเราเดินในที่มืดมาเถอทะทหาร<อ>ดึงกระโปรงของเธอเธอยิ่งกลัวมากขึ้นมีคนดึงเดรสฉันฉันกลัวแล้วนะเธอไปเดินสะดุดตะปูหรือเปล่า ลทหารยิ้มแล้วเดินตามไปเจ้าหญิงไปที่สวนสวยๆที่ที่กลีบดอกทุกกลีบบนต้นไม้เป็นเงินทั้งหมดทหารเอามันมาอันนึงเป็นหลักฐานและตอนนั้นก็มีเสียงแรกแรๆเจ้าหญิงกลัว อ, อีกครั้งได้ได้ยินเสียงนั้นไหมอะได้ยินสิมันเป็นเสียงปืนแห่งความสุขเพราะว่าเราได้จัดการชายเพิ่มอีกคนแล้ว พวกเธอเดินเข้าสวนที่มีใบไม้สีทองบนต้นไม้ทุกต้นทหารเด็ดมันมาและมันก็มีเสียงแกรกอีกเจ้าหญิงคนโตบอกให้น้องคนเล็กอย่าสนใจเมื่อเดินต่อไปเราเจ้าหญิงก็เข้าไปยังที่ที่เต็มไปด้วยเพชรทหารเก็บมันมาครั้งนี้เจ้าหญิงคนเล็กก็ได้ยินเสียงและกลัวอีกแล้ว เจ้าหญิง12คนรอเรือ12บสอลำมาหาพวกเธอแต่ละคนขึ้นเรือไปแต่ละลำทหารก็ขึ้นเรือไปกับเจ้าหญิงคนเล็กเจ้าหญิงครับวันนี้รู้สึกว่าเรือหนักมากข้าต้องออกแรงพายสุดแรงเลยทีเดียวเออไม่รู้สิแต่ฉันรู้สึกอุ่นๆนะเรือ12ลำไปถึงอีกฝั่งของทะเลสาบที่นั่นมีวางสวยสายงาม ทั้งสิบสองคู่เข้าวางไปรวมถึงทหารด้วยพวกเธอเข้าวางไปและเริ่มดนตรีเจ้าหญิงสิบสองคนเต้นรากับเจ้าชายอย่างตื่นเต้นพวกเธอเต้นจนตี3ามจนรองเท้าเป็นรูและพวกเธอก็ตัดสินใจกลับเจ้าชายพาเจ้าหญิงกลับอีกฝั่งของทะเลสาบครั้งนี้ทหารนั่งกับเจ้าหญิงคนโตตอนจะกลับห้องนอน ทหารก็รีบวิ่งแซงและกลับไปนอนบนเตียงเมื่อเจ้าหญิงจะกลับห้องพวกเธอก็เออเอาละ่ะมาเปลี่ยนชุดแล้วไปที่เตียงกันมันเกิดขึ้นทุกคืนทหารตามพวกเธอไปและเก็บหลักฐานมากับเขาแล้วกลับมาที่เตียงก่อนเจ้าหญิงเมื่อถึงวันฟังผลพระราชาก็เรียกตัวเข้าไปท่านครับเจ้าหญิงทุกคนจะลงใต้ห้องนอนของพวกเธอไป อาณาจักรของท่านน่ะมีวังอยู่ข้างใต้นะเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ราชาฟังราชามองที่เจ้าหญิงพวกเธอแอบฟังอยู่หลังม่านมันจริงอย่างนั้นเด้อนี่ครับหลักฐานและเขาก็เอาใบไม้ทองกับเงินและเพชรที่เก็บมาได้เหล่าเจ้าหญิงยอมรับความจริงพวกเธอสารภาพว่าไปทำอะไรมาราชาดีใจที่ได้รู้ความจริง เขาจึงต้อนรับทาหารอย่างดีเจ้ายากแต่งงานกับลูกสาวคนไหนของข้าห ม, ม่อมฉันเป็นคนที่โตแล้วห ม, ม่อมฉันจะแต่งงานกับลูกสาวคนโตของท่านราชาสั่งให้คนของเขาจัดของสาคัญเพื่องานแต่งงานและงานแต่งงานก็เกิดขึ้นในวันนั้นลูกเขยของข้าจะเป็นราชาหลังจากข้าตายไปและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันยังมีความสุขตลอดไป